ก็ได้พูดถึงหลักในการปฏิบัติตัวเฉพาะเจริญสติคือการวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกับกายและใจอารมณ์ภายนอกคือสิ่งที่เห็นได้ยินสัมผัสจากต้องที่มากระทบตาหูจมูกดิ้นกายหรืออารมณ์ภายใน หมายถึงความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความยินดีนะไม่ว่าบวกหรือลบก็ไม่ชอบไม่ชังไม่ผักไสไม่ไขวคว้ า, วานะอันนี้แหละที่ทำให้เราสามารถที่จะเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นได้เพราะทันทีที่เข้าไปผลักไสหรือไขวคว้า ด้วยความชังหรือความชอบก็ตามนะมันก็กลายเป็นตกติดลมหรือเข้าไปเป็นนะไม่สามารถจะเห็นสิ่งใดอย่างที่เป็นจริงได้นะการเจริญสตินี่คือการเห็นความจริงนะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้เป็นไปอย่างที่อยากอันนี้พูดถึงเรื่องการวางใจเป็นกลาง นอกจากมีความหมายว่าไม่ชอบไม่ชังไม่ปรับสาไม่ขวอยควา้าอย่างที่พูดมาสักครู่แล้วเนี่ยมันยังหมายถึงว่าไม่เผลอไม่เพ่งด้วยเผลอ น, นี่ก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งเพ่งก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งเผลอ น, นี่ก็หมายถึงว่าปล่อยใจฟุง้งไปตามความคิดหรือว่า ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสอันนั้นก็ไม่ใช่หรือว่าไปบังคับจิตนะควบคุมใจให้มันสงบให้มันนิ่งให้เป็นไปอย่างที่ต้องการอันนั้นก็ไม่ใช่วางใจเป็นกลางกลางคือเป็นกลางระหว่างไม่เผลอกับไม่เพ่งไม่ปล่อยใจฟุง้งไปตามกิเลสแล้วก็ไม่ไปบังคับควบคุมจิต ลองสังเกตดูใจของเราเวลาปฏิบัตินีมันมักจะเวียงไปนะในทางใดทางหนึ่งเมื่อเมื่อใดก็ตามที่เผลอไปนะปล่อยใจฟุ้งลอยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อใดก็ตามที่ไปเพ่งไปพยายามบังคับควบคุมจิตหรือแม้จะไปเพ่งที่กายเนี่ยความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้ ความสึกตัวเกิดขึ้นได้เมื่อใจเป็นกลางกลางนะไม่ไม่เพ่งเข้าไปข้างในเกินไปแล้วก็ไม่พุ่งออกนอกเกินไปถ้าเพ่งเข้าไปแต่ข้างในนะไม่รับรู้ข้างนอกนี่ก็ไม่ใช่นะหรือรู้แต่ข้างนอกพะจิตมันส่งออกนอกไปต่พึ่งพื แต่ไม่เห็นข้างในนะมันก็ไม่ใช่เหมือนกันหลวงพ่อคำเขียนนะเคยเล่าว่าสมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นท่านก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัติท่านก็ติดสงบติดสมถะมากหลวงพ่อเทียนก็ทราบนะวันหนึ่งในค่ายที่หลวงพ่อคำเขียนซึ่งเขาจะว่าตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่ ปฏิบัติอยู่ในกุตติหลวงพ่อเทียนท่านก็เดินมาสอบอารมณ์กุตติของหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้นนี่นะปิดประตูปิดหน้าต่างเลยหลวงพ่อคำเขียนได้ยินเสียงฝีเท้านะก็รู้ว่าอหลวงพ่อเทียนกำลังมาสอบอารมณ์รูงว่าเทียนก็ถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ หลวงพ่ออ๋เียวตอบว่ากําลังเตือนสร้างจังหวะครับหลวงพ่อเชก็พูดต่อไปว่าให้เห็นทั้งข้างนอกและข้างในนะและแล้วก็ถามหลวงพ่อคําเขียนว่าเห็นข้างในไหมเห็นครับแล้วข้างนอกเลยเห็นไหมไม่เห็นครับถ้าทาไงจึงจะเห็นข้างนอก ต้องเปิดประตูครับท่านก็เดินไปเปิดประตูหลวงพ่อเชียงก็ถามต่อบไปว่าเห็นข้างนอกหรื อ, อยังเห็นแล้วครับท่านก็พูดต่อไปว่าเนี่ยให้ทําอย่างนี้นะเห็นทั้งข้างในเห็นทั้งข้างนอกพอเราฟังดูนี่เราเข้าใจมาว่าหลวงพ่อเชียนต้องการจะบอกอะไรท่านต้องการที่จะบอกว่าอย่าไปไปเพ่งเข้าใน มากเกินไปจนไม่รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนั้นคนส่วนใหญ่จะไปเพ่งหรือส่งจิตออกนอกจนลืมจนลืมใจของตัวอันนั้นก็สุดตรงอีกทางหนึ่งเหมือนกันนักปฏิบัตินะีจะเมื่อเริ่มรู้วิธีเนี่ยก็จะพยายามไม่ ส่งจิตออกนอกแต่ว่าจะกลับสวิงหรือสุดโตรงไมอีกทางคือว่าเพ่งข้างในซึ่งอาจจะหมายถึงการบังคับจิตให้ไปอยู่กับกายเพ่งที่มือเพ่งที่เท้าหรือว่าไปจับจ้องเฝ้าดูดความคิดนะมันยังไม่คิดเลยก็ไปดักรอมันเล้ก่อนลนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะ เคยพาคนเดินจงกรมนะที่ภูหลงเดินไปตามทางบินทบาทสองข้างทางนะก็เป็นไรเป็นอ่าเป็นทุ่งก็มีเสียงนกร้องนะมีเสียงจิ้งหรยตลอดทางเลยอากาศก็กำลังดีมากเพราะว่า เป็นช่วงรุ่งอรุณเดินไปกลับก็ประมาณ45นาทีเสร็จแล้วก็ถามความรู้สึกระหว่างที่เดินประโยคหนึ่งก็ถามว่ามีใครได้ยินเสียงจิงเร็ดหรือเปล่านะเกือบครึ่งบอกว่าไม่ได้ยินตนังที่เสียงจิงเรดมันรงงตลอดทางเลยนะเกือบครึ่งบอกไม่ได้ยิน ก็เลยถามต่อว่าทำไมถึงไม่ได้ยินส่วนใหญ่ก็ตอบว่าตอนนั้นกำลังคิดถึงบ้านบางคนก็ตอบว่ากำลังห่วงคิดถึงงานห่วงกังวลอยู่พอพอคิดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะใจมันก็หูมันก็ไม่รับรู้ลวนะว่ามีเสียงจิ้งหรีดอยู่ อันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกนะพอส่งจิตออกนอกเนี่ ย, ายการที่จะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่อยู่รอบตัวนี่ก็ไม่มีไปคิดถึงอนาคตก็ตามไปคิดถึงอดีตก็ตามแล้วส่งจิตออกนอกตัวไปโน่นเสียงจิ้งหรีท่ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาหรืออยู่รอบตัวก็ไม่ได้ยินมีคราหนึ่งก็พาคนเดินนะอยู่ในกรุงเทพนนะ พาคนเดินไปตามถนนก็ประมาณเนี่ยนาทีกลับมาก็ถามว่าได้ยินเสียงนกไหมก็มีบางคนบอกไม่ได้ยินนกมันก็ส่งเสียงตลอดนะถึงแม้จะเป็นกรุงเทพถามว่าทำไมถึงไม่ได้ยินก็ตอบว่าพาตอนนั้นไปเพ่งจิตมาไปเพ่งไปแนบไปกาหนดที่เท้าก็เลยไม่ได้ยิน อย่างนี้ก็เรียกว่าทั้งสองกรณีก็เรียกว่าไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันหมายถึงว่ารู้ทั้งข้างนอกแล้วรู้ทั้งข้างในรู้นอกก็คือว่าเออได้ยินมีเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดดังก็ได้ยินแต่ได้ยินแล้วก็ผ่านนะถ้าได้ยินแล้วนี่ไปจดจ้องไปจดจอ่อนกอะไรจิ้งหรีดอยู่ไหนทาไมถึงมีจิ้งหรีดเยอะแยะอันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกไปแล้ว แต่ถ้าเพียงแต่สักตะว่าได้ยินรู้ว่าได้ยินก็แล้วก็ผ่านเลยไปถามวมาได้ยินไม่ได้ยินนั่นแต่ว่าใจไม่ได้พุ่งไม่ได้ปรุงแต่งต่อไปส่งจิตออกนอกนะมันก็ไม่รับรู้นะถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวก็าขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือว่าเพ่งเข้าใน อาจจะไปเพ่งที่มือที่เท้าหรือไปอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธซ้ายหนอขวาหนอมันก็ไม่รับรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งที่อยู่ในใจนะก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ในปฏิบัตินี่เรานะวางใจเป็นกลางๆงนะ ไม่ปล่อยจิตพุ่งออกข้างนอกเกินไปแล้วก็ไม่บังคับจิตให้มันแนบนิ่งอยู่แต่ข้างในความสึกตัวโทุพร้อมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักวางใจเป็นกลางนะความสึกตัวโทุพร้อมเกิดขึ้นได้นะเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับเนื้อกับตัว ไม่ไหลไปอดีตไม่หลงไปอนาคตไม่จมอยู่ในอารมณ์หรือว่าไปเพ่งไปจ้องนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเมื่อใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะยกมือก็รู้สึกเดินก็รู้สึก นะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมือรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเท้ารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของทั้งตัวแต่ถ้ารู้สึกชัดเกินไปหรือรู้สึกชัดมากๆนี่ก็นั่นไม่ใช่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะนน่าจะเป็นการเพ่งนั่นไม่ใช่เป็นการเจริญสติแล้วละ่ะถ้าชัดมากๆนี่แสดงว่าเพ่งนะ อย่างยกมือสร้างจาังหวะนี้เห็นการเคลื่อนไหวของมือนี่มันเป็นสายเลยเนี่ยให้รู้ว่านั้นเพ่งแล้วให้ความรู้สึกตัวเนี่ยเวลายกมือเนี่ยมันจะเป็นขณะขณะขณะหลวงพ่อคำเขียนท่านเปรียบเหมือนกับโซ่ที่ีหมือนก็ห่วงโซ่ที่คล้องกันทีละทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีล ะ, ะห่วงทีละห่วง มันจะไม่เหมือนกับเล็กเส้นนะเหล็กเส้นนี่มันยาวเป็นพืชสังเกตดูความรู้สึก ข, ของเราเวลายกมือเวลาเดินมันชัดเหมือนกับเล็กเส้นหรือเปล่านะคือมันต่อเนื่องเป็นเส้นเป็นสายเลยอันนั้นแปลว่าเพ่งแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกตัวถ้านเป็นความรู้สึกที่เป็นขณะขณะเหมือนกับโซ่ที่คล้องกันทีละข้อทีละข้ออันนั้นก็ ใช่แล้วล่ะนะความรู้สึกตัวใหม่ๆนี่มันก็จะต่อกันไม่กี่ข้อนะแล้วมันก็หลุดนะแต่ทําไปทําไปปล่อยขึ้นบ่ขึ้นสายโซงก็จะยาวขึ้นยาวขึ้นแต่มันก็ยังเป็นข้ออยู่คือมันเป็นขณะขณะนะไม่ใช่เป็นสายนะหลายคนเนี่ยอยากจะให้ความรู้สึกตัวมันชัด พอมีความอยากแบบนี้ขึ้นมาจีไลมันก็จะเพ่งทันทีเลยเพ่งทีมือเพง่งจีเท้าการที่ไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยมันทําให้เกิดความสึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้รสึกตัวทั่วพร้อมคือมารู้สึกไปทั้งตัวไม่ได้ไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งเปรียบเหมือนกับเราดูภาพนะเราดูภาพไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เราจะดูรู้เรื่องได้ว่าภาพนั้นคืออะไรเกี่ยวกับอะไรเราก็ต้องดูรวมๆเราไม่ไปเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งที่มุมใดมุมหนึ่งถ้าเราเพ่งที่มุมใดมุมหนึ่งเราก็จะเห็นภาพรวมๆได้ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่เข้าใจมันเหมือนกับเวลามองหน้าคนนะเวลาเรามองหน้าคนเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้เป็นใครเราก็มองรวมๆทั้งใบหน้าของเขา เราไม่ได้ไปเพ่งที่ตาที่จมูกที่ปากนะเวลาเราคุยกับใครนี่เราก็มองเห็นหน้าเขารวมๆเราก็รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเราไปเพ่งที่มือเออเพ่งเพ่งเพ่งที่ตาเพ่งที่จมูกเพ่งที่ปากเนี่ยนะบางทีก็อาจจะไม่รู้ชัดเลยว่าเขาเป็นใคร วเวลาเรามองหน้าเขารวมๆเนี่ยตาจจะไม่ชัดปากอาจจะไม่ชัดจมูกอาจจะไม่ชัดเมือจจมม่อการที่ไปเพ่งที่เฉพาะส่วนนั้นแต่แค่นั้นก็พอแล้วอย่าไปชัดมากเพราะถ้าชัดมากแปลว่าเพง่งลองสังเกตดูวเวลาเรามองเรามองหน้าใครนี่เราไม่ได้มองที่จุดใดจุดหนึ่งเรามองรวมๆ ในการปฏิบัติให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็เหมือนกันนะมันเป็นความรู้สึกรวมๆที่ไม่ได้เกิดจากการเพ่งแต่เท่านั้นมันก็เรียกว่าชัดแต่มันไม่ได้ชัดมากถ้าชัดมากมื่อหล่ก็เพ่งเมื่อ น, นั้นนะความรู้สึกมันความรู้สึกเบาๆเบาเๆถ้าทําให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาเนี่ยมันก็จะ เกิดขึ้นได้ง่ายในความรู้สึกตัวเนี่ยทั่วพร้อมแต่ถ้าไปอยากมันเมื่อไหร่นะไปมีความอยากเกิดขึ้นนี่เป็นปัญหาอันนี้คืออุปสรรคสำคัญของนักปฏิบัตินะคือทำด้วยความอยากแน่นอนนะความอยากพาให้เรามาถึงนี่ความอยากทำให้เราออกจากบ้านนะ ทิ้งความสะดวกสบายมาถึงนี่ยอมเสียเวลานะอาทิตย์2 อ, อาทิตย์เพื่อที่จะมานี่แต่เมื่อมาถึงและเมื่อลงมือปฏิบัติก็ให้วางความอยากลงให้มีแต่ความเพียร น, นะลองทำความเพียรโดยที่ไม่อยาก ทำความเพียรดยวางความอยากหลงมังนะมันจะทำให้เราทำได้นานนะจะทำให้เราปฏิบัติโดยไม่น่าดำคร่เครียดนาะทีทำทำให่น่าดำครําเครียดหรือที่เคร่งเครียดมากเพราะมันมีความอยากอยากให้สงบอยากให้มีสติรู้ตัวอยากให้เห็นรูปเห็นนาม แต่พอไม่เห็นพอไม่มีความสงบเกิดขึ้นหรือพอมีเสียงดังเนี่ยความไม่พอใจเกิดขึ้นทันทีความขัดอกขัดใจเกิดขึ้นทันทีแล้วบางคนนี่พอรู้ว่าความงุดหงิดเกิดขึ้นความขัดโกขัดใจเกิดขึ้นไม่ชอบมันนะไม่ชอบก็พยายามกดข่มมันมันก็ยิ่งทําให้ปัญหาหนักขึ้น แทนที่จะเห็นมันหรือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆหรือวางใจเป็นกลางกับอารมณ์เหล่านั้นก็กลับจะไปเล่นงานจะไปพันตัวกับมันก็ถูกมันหลอกใ ห, ให้เข้าไปพัวพันเลยไปเครียดหนักเข้าไปใหญ่นนถอนใจออกมาแค่ดูมันเฉยๆเป็นกลางกับมันไม่ชังมันเห็นมันอย่างที่มันเป็น มันก็ช่วยทําให้หลุดจากอารมณ์นั้นได้แล้วทาให้กลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นสําสคัญมากนะเราทําความเพียรดยที่ไม่อยากหรือวางความอยากลงเมื่อการเดินทางไกลจุดหมายอยู่ไกลก็ตามนะแต่ว่าจุดหมายอยู่ไกลเราต้องเดินต้องขยันเดินนะ แต่รวางที่เดินนั้นเนี่ยก็ให้จิตใจละวางจุดหมายปลายทางลงเสียกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะทำความเพียรโดยที่วางความอยากลงมันจะทำให้เราสามารถที่จเดินได้ไม่ไมหยุดเดินได้ต่อเนื่องไกลแค่ไหนใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือเป็นปีก็ยังเดินต่อไป ว่าใจอยู่กับปัจจุบันทอสาเร็จความอยากแล้วนี่มันก็คิดใจจะมันก็จะคิดว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึ ง, อ ไ, ถ ง, อ ไ, ถงไอ้ความคิดนี่แหละที่บันทอนจิตใจทำให้ท้อทำให้คลายความเพียนได้ง่ายมากเมื่อสัก3ามสี่ปีก่อนนะมีคุณป้าคุณยงอายุเกือบเจ็ดสิบนะ แกน่าสนใจมากแกเป็นแม่ค้าขายผักแล้วก็แกอยากจะได้บัตรได้ใบขับขี่แต่ก่อนแกจ้างคนขนผักต้อหลังแกอยากจะขับรถเองก็ต้องไปทำใบขับขี่ประเทศเกาหลีนี่ใบขับขี่นี่มันซื้อไม่ได้นะใช้เส้นก็ไม่ได้ต้องไปสอบเอง ไห้สอบภาคปฏิบัติไม่มีปัญหาแต่สอบข้อเขียน30ข้อใน50ข้อเนี่ยเธอทําไม่ได้ไม่ถึงทําได้ไ ม, ไม่ไม่เคยถึง30ข้อก็ต้องสอบใหม่เธอสอบแล้วสอบอีกสอบแล้วสอบอีกมันเป็นข่าวก็เพราะว่าเธอสอบแล้ว775ครั้งก็ยังไม่ได้สอบมาแล้ว775ครั้ง เธอก็ไม่ละความเพียร น, นะถ้าเป็นเมืองไทยนี่สอบสิบครั้งไม่ได้ก็เลิกแล้วใช้เส้นดีกว่าหรือแม่ก็เอาเงินยัดไอ้นี่คุณเป้านี้แกสอบมาแล้วเจ็ด้อยเจ็สิบ้าครั้งแกก็ยังสอบไม่ได้ทั้งเป็นข่าวเลยนะแต่ตอนหลังก็เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้นเจ็ดแปดเดือนพฤศจิกี ป, ปีห้าสองเป็นข่าวเพราะว่าเธอสอบได้แล้ว หลังจากที่สอบมา950ครั้งความเพียร น, นี่น่ายกย่องมากนะเพียรมากจริงๆงน่าคิดว่าเนี่ยทำไมเือถึงสอบได้มากมายขนาดนั้นนะสอบร้อยครั้งไม่ได้ก็ยังสอบสองร้อยครั้งไม่ได้ก็ยังสอบจะทำแบบนี้ได้เนี่ยนะก็เรียกว่า ถึงแม้จะมีความอยากได้มากๆก็จริงแต่พอพอสอบแล้วนี่ก็ต้องวางนะความอยากพอาะถ้ายากมากๆเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยมันสอบได้ไม่เกินร้อยครั้งอีกร้อยครั้งหรอกนะก็เลิกแต่เพราะว่าเธอไม่ได้คุณป้าคนนี้แกไม่ได้ หมายมันว่าจะต้องสอบให้ได้สอบไม่ได้ก็สอบใหม่สอบอีกสอบอีกสอบไปเรื่อยๆถ้าความเพียรแบบนี้นี่พอเราซึกเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ควรจะเอาเยิ่ยงอย่างเนะี่ยหรือทำให้ได้ยิ่งกว่านั้นเพราะว่านี่แค่ต้องการทำใบขับขีน่นี่ยังมีความเพียรขนาดนั้นไอใบขับขี่นี่มันก็ มีประโยชน์ก็จริงนะแต่มันก็ไม่ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้ไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันช่วยพ้นทุกข์ได้มันมีคุณค่ามีความหมายยิ่งกว่าใบขับขี่ที่คุณป้าคนนั้นอยากได้สิแต่ถ้าว่าความเพียรของเราเนี่ยน้อยกว่าคุณป้าคนนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงแต่ถ้าเราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ย เราก็ต้องวางความอยากลงนะในขณะที่ปฏิบัติก็ต้องวางความอยากซึ่งจะทำให้เราเนี่ยไม่ท้อถอยง่ายๆเวลามันไม่เกิดผลอย่างที่อยากได้ไม่ได้ก็ทํานี่เป็นหัวใจของนักปฏิบัติเป็นสปิริยของนักปฏิบัติได้ไม่ได้ก็ทํานะ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าผลมันจะปรากฏหรือถึงผลจะไม่ปรากฏก็ยังทำอยู่ต่อไปอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้พระมหาชนกเนี่ยนะเป็นเป็นที่รู้จักนะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่สำคัญมากมาพระมหาชนกนี่เราก็คงทราบนะว่า ฉากสำคัญของท่านเนี่ยก็คือตอนที่เรือเดินสมุทรมันแตกกลางทะเลแล้วท่านก็มีแต่ไม้แผ่นหนึ่งเกาะอยู่กลางทะเลถ้าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยก็ต้องไหว้เข้าหาฝั่งแต่ท่านไหว้ไป7วัน7คืนยังไม่เห็นฝั่งเลย ก็ยังไหว่ต่อจวงทางพระอินทนี่ทนดูไม่ได mm hmm. ้ก็เลยบอกให้นางบดีเมฆคาาลงมาช่วยเพราะนางมดีเมฆคารานี่มีหน้าที่ช่วยคนที่เดือดร้อนในทะเลนางบณีเมฆคาาเห็นพระมาชนกไหวยน้ําอยู่กลางทะเลแปลกใจก็เลยถามพระมาชนกว่า ทำไมท่านจึงไหว้น้ำตลอด7วัน7คืนทั้งๆ ท, งที่ไม่เห็นฝั่งเลยมันมีประโยชน์อะไรพระหมหาชนกตอบว่าคราบเจ้าเห็นประโยชน์ของการทำความเพียรแม้ไม่เห็นฝั่งก็จะทำความเพียรอยู่ต่อไปก็คือไหว้ไม่หยุด นางมณีเมฆขลาก็ถามว่าเนี่ยท่านาไหวแบบนี้ท่านก็ตายเปล่ามีประโยชน์อะไรนะพระมหาชนกตอบว่าข้าพเจ้าเห็นประโยชน์ของความเพียรนะก็ย้ำอีกว่าเนี่ยแม้ว่าทําความเพียรแล้วนะแม้ว่าจะต้องตายจะหาได้ทําความเพียรอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ไม่เป็นหนี้ใครนะไม่อาย ไม่อายใครไม่อายญาติพีน่น้องไม่อายเทวดาแ้วท่นก็พูดอีกว่าเนี่ยเมื่อรูปประสงค์ของการทํากิจการในการทํากิจการนั้นใดก็ตามถ้าหากทําความเพียรแม้จะสําเร็จหรือไม่ก็ตามนะผลแห่งความเพียร น, นั้นย่อมประจักษ์แก่ตนคือถ้าไม่สนใจแนละ้วว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่ง แต่ว่าความเพียรเนี่ยมันย่อมส่งผลอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจอะไรล้ว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทำความเพียรไปเรื่อยๆเพราะแน่ใจว่าสิ่งที่ทำมั น, มนได้ผลแน่อันนี้จะเรียกว่าท่านเนี่ยการที่ท่านว่ายน้ำไม่หยุดทั้ท ง, ทงที่มองไม่เห็นฝั่ง จะทำงันได้เนี่ยมันต้องใจต้องวางนะวางจากความปรารถนาที่จะถึงฝั่งเพราะถ้าใจคิดตลอดเวลาจะต้องถึงฝั่งให้ถึงฝั่งให้ได้เนี่ยไหว้ไม่กี่วันหรือไหว้ไม่กี่ชั่วโมงก็ท้อแลวความหมดหวังมันเกิดขึ้นจากการที่มีความหวังมากๆการมีความหวังมากก็คือความอยาก ถ้าไม่วางความอยากลงมันก็จะหวังแต่พุทธะพือแล้ะพอไม่เป็นไปอย่างที่หวังมันก็จะท้องั้นเอาปฏิบัติอย่างพวกเรานี่นะต้องนะทาความเพียนให้เต็มที่นะไม่น้อยไปกว่าคุณป้าชาวเกาหลีคนที่ว่าจากขนาดเดียวกันก็ต้องวางความอยากลงด้วยจะสําเร็จไม่สําเร็จก็ทํานะ จะสงบหรือไม่สงบก็ทำจะรู้รูปนามหรือไม่ก็ทำทำไม่หยุดใจอยู่กับปัจจุบันไม่ชะเง้อคอมองว่าเห็นเป้าหมายหรื อ, อยังบางคนทำไปก็ถามกันแหละว่าไปไกลแค่ไหนแล้วสำเร็จได้แค่ไหนแล้ว คนที่เฝ้แต่ถามว่าเมื่อไหร่มันจะได้ผลเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะหายฟุ้งเมื่อไหร่มันจะรู้สึกตัวถ้าถามแบบนี้นะไม่นานก็จะทอนะเพราะว่าไม่ได้ไม่เห็นไม่พบอย่างที่อยากให้วางให้วางความอยากลงไม่ต้องถามไม่ต้องสนใจจุดหมายปลายทางข้างหน้าอยู่กับปัจจุบัน แล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนั่นคือทำความเพียร น, นะด้วยใจที่ปล่อยวางเอาละใช้กับพู้คนที่ น, นี้นะกรับ